ถามทักที่พระอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่จะใช้เทคโนโลยีไอทีเหมือนกันนะครับตามหลักผู้ศาสนาเนี่ยไอที IT กับผู้ศาสนาเนี่ยเออมันพระอาจารย์มองว่ามันมันเกี่ยวข้องอกันกันหรือไ ม, ม่อย่างไงบ้างครับมันอยู่ที่ว่าเราจะให้เกี่ยวแค่ไหนใช่ไหมครับคือถ้าเราจะถ้าจะไม่เกี่ยวก็ได้นะแต่ถ้าจะให้เกี่ยวเนี่ยเราก็ต้องรู้จักใช้มัน อย่าตกเป็นท่าของมันเขมา <c oughs> เพราะว่าของทุกอย่างอะนะสิ่งที่เป็นเครื่องมือไอทีก็เป็นก็เหมือนกับเ <c oughs> ทคโนโลยีอื่นๆนะนะมันรุ่นเรามันมีเทคโนโลยีมาตั้งช้านานแล้วเพียงแต่ว่าไอทีเป็นเทคโนโลยีชนิดใหม่ล่าสุดซึ่งถาาว่าเราจะเกี่ยวข้องกับมันก็ต้อง ใช้มันให้เป็นใช้ให้ถูกไม่ใด้เป็นธาตุของมันครใช่ไหมครับแล้วการนําเทคโี่ยีมาใช้นี่ต้องต้องคํานึงถึงอะไรบ้างครับในทาุศาสนาก็ท่านจะเน้นว่าหนึ่งนี่ต้องรู้จักแยกแยะระหว่างคุณค่าแท้คุณค่าเทียมครับเช่นอาหารเนี่ยคุณค่าแท้คือว่าบํารุงร่างกายให้อยู่ได้นี่คุณค่าแท้คุณค่าเทียมคื อ, อความเปเด็ดอร่อยใช่มา เสื้อผ้าเนี่ยก็เพื่อเพื่อการร้อนกันหนาวใช่ไหมส่วนความก่เก๋แฟชั่นมันนี้อันนี้คุณค่าเทียมรถยนต์เนี่ยก็คือมันพาเราไปถึงจุดหมายนะอย่างปลอดภัยและอย่างรวดเร็วนะแต่คุณค่าเทียมคือว่าเป็นเครื่องแสดงสถาธภาพเป็นเครื่องแสดงอัตลักษณ์ต้องการโชว์ออฟ อันนี้ก็เป็นคุณค่าเทียมซึ่งในทางวิาศาสตร ก, ก็จะไม่ให้ไม่ให้ค่ากับคุณค่าเทียมเท่าไหรนะ่ก็คือผู้งานชื้อจะใช้หรือบริโภคสิ่งใดก็ให้มันถูกวัตถุประสงค์สิ่งนั้นดิจิตอลเทคนโนโลยีเนี่ยก็คุณค่าแท้ก็จะเป็นเรื่องของการการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการเก็บ การจัดการข้อมูลข่าวสารนะถ้าเราใช้มันในลักษณะนี้มันก็เกิดประโยชน์นะแต่ถ้าเราเอามาใช้แต่ถ้าคุณคาดแต่คุณคาดเทียงเรื่อ ง, องความโก้เก๋นนะนะความความแข่งกันในเรื่องของรุ่นล่าสุดอย่างเงี้ยอันนี้มันมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่พุทธศาสนาเนี่ย สนับสนุนนะเพราะงบการละเลยสุดงบการกคืออหนึ่งเนี่ยต้องแยกแยะระหว่างคุณค่าแท้คุณค่าเทียม2องต้องใช้มันเนี่ยเพื่อส่งเสริมส่งเสริมการพัฒนาตนนะไม่ว่าทางรูปทางธรรมแต่อย่าใช้เพื่อปนเปื้อกินเลน่อันนี้มันก็ ก็คล้ายๆกับคุณค่าเทียมมันนะเพราะว่าถ้าเราไปยืดเตี่ยวคุณค่าเทียมมากๆเนี่ยนั่นคือเราลังกําลังถูกมันใช้หรือใช้มันเพื่อปลนเปลือกินเลคะครับเนี่ยสามต้องมีความรู้จักพอต้องมีเขาจับพอถ้าเราไม่รู้จักพอเนี่ยนะเราก็จะทุบเขามันแล้วเราก็จะเป็นทาสของมันได้ครับ ประการที่4ในเรื่องของข้อมูลข่าวสารเนี่ยต้องมีต้องมีสติในการบริโภคเช่นอย่าเชื่อง่ายนะอะไรที่มันเป็นข้อมูลข่าวสารเนี่ยไม่ว่ามันจะมาจากเทคโนโลยีที่ล่าสุดเพียงใดเนี่ย<ม>ก็หรือว่าข้อมูลข่าวสารที่มันเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปเชื่อมันง่ายก็มีใช้หลักกลามาสูตรกรามสรรามสูตรก็คือว่า อย่าเชื่อเพียงเพราะกลางสูตรให้สอนว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะเสียงเล่าลือนะเช่นเขาแชร์กันแชร์ชกันแย่เนี่ยเออเราเชื่อแล้วเพราะเขาแชร์กันมากเนี่ยอันนี้เรียกว่าเชื่อเพียงเพราะเสียงเล่าลือหรือเพรา <im it> ะเชื่อเพียงเพราะบอกต่อๆกันมาอย่อาเชื่อเพียงพพพเพราะมันอยู่ในเพราะมีการอ้างคำภีอย่าเชื่อเพียงเพราะผูดพูดเป็นครูของเราอย่าเชื่อเพียงเพราะมันเข้าได้กับความในของเรา คนเดียวนี้เนี่ยนะเชื่อข้อมูลข่าวสารที่แพร่มาทางดิจิตอลเทคโนโลยีมากเลยนะ <c oughs> เพราะว่าขาดขาดสติไม่มีไม่ได้ใช้หลักกำลังมตรในการที่จะเตือนจิตเตือนใจตัวเองทีนี้เราเรามีมีมีหลักมีหลักศีลธรรมหรืออะไรที่ที่คนจะควรนำไปใช้กับการ ใช้ผูกของพวกนี้บ้างเนี่ยต่มาก็พูดไปแล้วไงสันโดษสติสกลลมมสูตรแยกแยกคุณค่าแท้คุณคณ่าเทียมมันมีมันมีคาคำคำที่เรียกว่าอะไรนะผมตาพุทธานุมหาประเทศอันนี้คืออะไรครับไงไม่มีอะไม่มีหรอคุณคุณสะกดถูกป่ะพุทธานุยาตมหาประเทศไหครับผมเคยได้ยินไม่ออก็คงจะเป็นคำ เป็นคำสอนเกีเ่ยวกับการอนุญาตใช้พุทธธรรมอนุญาตนะครับมันมีแต่มหาประเทศสี่ใช่มาประเทศสี่มาประเทศสี่คือว่าก็คือหลักในการที่ว่า อ, อคือมหาประเทศสี่มันมีมันมีหลายมันมีมันมีมีมมมมมหลายหมวดหมวดหนึ่งคือว่าคืออะไรก็ตามเนี่ยที่มันจะต้อง คือำคำสอนอะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นไปเพื่อความมักน้อยเพื่อความสันโดษ mm hmm. เพื่อความเรียบง่ายนะไม่ใช่เพื่อการให้เพื่อการยึดติดหรือเพื่อสง่งสริมกิเลเนี่ย ถ, ถือว่าถือว่าถูถกต้อง mm hmm. นะบางประเทศสี่ความหมายนี้หรือความหมายนี้คือว่าอะไรที่ผู้จำอนุญาต mm hmm. คือ แม่ผู้เจ้าจะแม่พูเจ้าจะไม่อนุญาตแต่ว่ามันเข้าได้กับสิ่งที่ผู้เจ้าอนุญาตก็ใช้ได้ก็ใช้ได้อะไรที่ผู้เจ้าไม่อนุญาตแต่มันไม่เข้ากับสิ่งที่ผู้เจ้าอนุญาตก็ใช้ไม่ได้อะไรที่ผู้เจ้าอนุญาตแล้วมันไม่เข้ากับสิ่งที่ผู้เจ้าอนุญาตก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหม อะไรที่พระเจ้าอนุ ญ, ญาตแล้วมันเข้าก็ได้สิ่งที่พระเจ้าอนุ ญ, ญาตก็ใช้ได้เนี่ยมันจะมันจะมันจะอยู่ในความหมายทรรนองเนี่ยเพราะ น, นั้นก็ก็ที่เจ้าผู้เจ้าไม่ไม่ได้เคยไม่เคยพูดเรื่องรถยนต์ผู้เจ้าไม่เคยพูดเรื่องโทรศัพท์มือถือผู้เจ้าไม่เคยพูดเรื่องเรื่องคอมพิวเตอร์ผู้เจ้าก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แปลว่าก็ไม่ได้แปลว่าคราวนี้พระจะใช้เนี่ยอันนี้ก็สิ่งที่หมายถึงพระนะพระจะใช้หรือไม่เนี่ย ก็อยู่ที่ว่าเออมันเข้ากับสิ่งผู้จาอนุญาตไหมนะหรือว่ามันมันหรือมันเข้ากับสิ่งที่ผู้จําไม่อนุญาตหรือเปล่าใช่ไหมผมก็ต้องมาดูเป็นกรณีไปออการการใช้ชีวิตเกี่ยวกับไอทีเนี่ยมันมันมั น, ม, นมันมีส่วนในการทำให้คนทําผิดศีลธรรมมากขึ้นไหมครับก็แน่นอนก็อยู่ที่ว่า ใช้เพื่อสองกินเหลวถ้าใช้เพื่อสองกิเลวก็ผิดศีศลธรรมเช่น<ม>ใช้เพื่อปล่อยข่าวลือใช้เพื่อใส่ร้ายใช้เพื่อชอ่อโกงใช่หมเียนี้<ป>เดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตเนี่ยใช้ในการช่อโกงเยอะมากเลยใช่ไหมคือมันอยู่ที่ว่าคุณใช้เพื่ออะไรถ้าใช้เพื่อสอนกินเหลวมก็ผิดศีลในที่สุดใช้เพื่อหลอกผู้หญิงหลอกเด็กเอามาขายตัวใช่ หรือว่าเพื่อเพื่อเอาประโยชน์ทางเพศผิดสีข้อสามใช่ไหมใช้เพื่อส่งเสริมการพ น, นันใช้เพื่อขายขายขายยาเสพติด ค, คือมันมันมันอยู่ที่ว่าใช้เพื่อสองเกยหรือเปล่าแล้วคือคุณ ค, คือต้องต้องคือต้องหลีกเลี่ยงใช่ไหมครับต้องใช้ให้ถูก ก็ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันก็ถ้าทําอย่างที่จะมาพูดเนี่ยมันก็จะไม่สอนกิเลสถ้ารู้จักสันโดถ้ามีสติ<ม>นะถ้ารู้จักคุณค่าแท้คุณค่าเทียมถ้ารู้จักเป็นนายมันเนี่ยมันก็การการที่เราคนคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ ย, ยใช้เวลากับเรื่องพวกนี้มากเกินไปอาจารคิดว่าคนพวกนี้คือขาดหลักธรรมข้อใดบ้างครับรู้จักความสติสติลุ่มหลงเพลินจนกระทั่งไปเป็นการทำงานมันก็เป็นการเสพติดแบบหนึ่ง ใช่ไหมสองความไม่รู้จักพอซึ่งก็สมัยการมีไม่มีไม่มีสติและไม่มีสติไม่รู้จักพอแต่ว่าและไม่มีปัญญาอไม่มีปัญญาคือไม่เห็นโทษของมันว่าไม่เห็นไม่คือเห็นคือคือเห็นแต่ข้อดีแต่ไม่เห็นข้อเสียปัญญาที่ราเน้นว่าเห็นโทษของมันด้วย คือหมายความว่าเขาเห็นแต่ด้านเดียวใช่อย่างนี้หมายความว่าเขาคนนี้ต้องคือต้องต้องรู้จักแบ่งเวลาแบ่งเวลาหรือเปล่าถ้ามีสติมก็แบ่งเวลาเป็นอยู่แล้วล่ะคือหลักๆก็คืออย่างที่อาจารย์พูดมาคือหลักสามสามสี่อย่างข้างต้นนี้เราจะ เออใช้ชีวิตไอทีกับไอทีให้ให้ให้มีความสุขได้ไงในเมื่อทุกวันนี้ไอทก็เข้าหาเราเหมือนกับว่าเราต้องปรับตัวเข้าหามันด้วยหรือเปล่าก็ อ, อย่างที่อาจารย์พูดนะต้องมีสติมีความรู้จักพอใช่ไหมเพราะถ้าเราไม่มีถ้าเราถ้าเราถ้าเราตกเป็นท่ามาเมื่อไหร่ถ้าเราใช้มันเพื่อ2กิเลสเมื่อไหร่นั้นก็เราก็ไม่มีความสุขใช่ไห คือพวกนี้มันต้องมีบางทีมันเห็นเห็นมันมันบางทีนี่มันต้องมีการจัดสรรเวลาก็ช่วยได้การจัดสรรเวลาว่าวันหนึ่งเนี่ยเราควรจะเสพมันเท่าไหร่นะควรจะบริโภคมันเท่าไหร่ใช้มันเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องของวินัยบางทีเป็นเรื่องของศีลด้วยศีนั่ในความหมายที่ว่าอย่างเช่น พุทธศาสนาเนี่ยก็จะมีศีลแปศีลแปเนี่ยก็หมายถึงว่ า, าไม่กินข้าวเย็นไม่เล่นละครดูละครฟ้อนลำเป็นช่วงๆเช่นมันพระบางทีเราก็ต้องมีข้อกำหนดในการที่จะเว้นเว้นไม่เกี่ยวข้องไม่บริโภคมันบ้างนะคือพวกนี้นี่ถ้าถ้าเราสามารถตัดถ้าสมมติว่าเราตัดตัดเรื่องของ เรื่องไอออกไปจากชีวิตประจำวันนี้หมายความว่าเราจะทำํำชชีวิตได้ถูกหลักศาสนามากขึ้นหรือเปล่าครับก็ไม่เชิงคื อ, อไม่ได้ตัดนะคื อ, ค, อคือเพียงว่าบางคนชื่อจริงเนี่ยบางคนเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาเขาปิดโทรศัพท์ ม, มือถือเขาไม่เล่นเน็ตนี่คือความหมายไงก็คือว่าเขาจะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวเขาะะได้มีเวลาอยู่กับตัวเองเขามีอะไรได้มีเวลาอ่านหนังสือ มีเวลาทําสมาธิไม่ได้ว่าตัดขาดเลยแต่ว่าบางช่วงคือใช้เวลามันใ ห, ให้ให้ถูกต้องอหรือว่าจะเปิดมือถือก็ต่อเมื่อสวหมนนั่งสมาธิแล้วไม่ใช่ว่าตื่นขึ้นมาเปิดมือถือเลยนี่เป็นเรื่องการของการจัดเวลา ม, มันมีเอ่อการการเข้าถึงถึงเอ่อเหมือนกับพระพุทธศาสนาโดยใช้ไอเนะี่ย มันมีมันมีตัวอย่างที่อาจารย์อยากแนะนําบ้างไหมครับออยกตัวอย่างเช่นาการเข้าถึงหลักคฐานคาสอนที่มีการเผยแพร่อะไรพวกเนี้ยครับคือก็มีการใช้ไอเพื่อการเผยแพร่คําสอนเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรทําเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยถ้าเรามาใช้ให้เป็นประโยชน์ก็ดีทั้งนั้นแต่ต้องรู้จักความพอดีรู้จักพอประมาณมใช่ไหมอย่างอย่าพวกมันจะมี จะมีแอปพลิเคชันที่เรียกว่าอะไรคะบทสวดมนต์อะไรพวกนี้ครับอาจารย์คิดว่าก็ใช้ได้ก็ดีก็มาใช้ก็มาใช้เพื่อเผยแพร่ธรรมะแต่ยังมาใช้เพื่อปนเปื้อสนองกินเลอแล้วเกี่ยวกับการใช้ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ในปัจจุบันนี้อาจารย์มองว่าเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้มันก็ คนไปทุ่มเทให้เวลากับมันมากไม่เห็นโทษของมันแล้วก็ใช้เพื่อสนองกิเลสซะเยอะใช้เพื่อสนองอัตตาเพื่อประกาศโลกให้รู้ประกาศโลกให้ประกาศอัตตาตัวตนให้รู้แล้วคนไม่มีสติการบริโภคเชื่อข้อมูลข่าวสารที่มาทางโซเชียลมีเดียแล้วก็เป็นทุกข์กับมันเพราะว่าคอยเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่เห็นทาง Facebook นะเขาไปเที่ยวแต่เราต้องทํางานเนี่ยคนตรงนี้เป็นทุกข์มากเพราะเพราะ facebook อ่ะเพราะว่าไปเห็นว่าคนอคื่นก็มีความสุขมากกว่าเราใช่<ม>เขาสวยมากกว่าเรา<ม>เขาได้ไปเที่ยวแต่เราต้องทํางานเนี่ยมันมีการเปรียบเทียบแล้วทาให้ส่วนตัวเองมีความทุกข์แล้วคนพวกนี้นี่ควรจะจะเรียนรู้ยังไงบ้างครับ ก็ใช่แต่คอดีนะให้เวลากับมันมีเวลาบแบ่งเวลากับมันนะอย่าไปเสมมากเกินไปแล้วก็เห็นว่าเห็นว่าสิ่งที่เราเห็นทาง a c e b o o k เนี่ยมันไม่ใช่ความจริงเสมอไปเราเราจะเราจะมีมีวิธีไหมครับว่าสมมติว่าเราดูอะไรจาก facebook มาน่มันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องลวงอย่างเคี้ยมีวิธีกัลลามสูรกัลมามสูร พี่พี่อาจารย์พูดมดา ค, นะคสืบประการพวกไ่เปิดดูทาง Google นะมี ม, ม, มีมีที่อาจารย์เคยเค ย, เคยเขียนอะไรไหครับไม่ไม่บดความจริงๆไม่ไม่ไม่มีนะอาจจะมีเขียนใน a ฟ e บ o o k บ้างแต่ว่าก็กระจ า, กกะจายต้องไปรบรมงอาไอย่างเี้อ่าอาจาเคยเขียนเรื่อง ตัวเกี้ยนี่สารคดี ไปเขียนสารคดีเรื่องความสุดตรงในยุคข้อมูลข่าวสารในยุคข่าวสารข้อมูลก็พูดถึงเรื่องว่าเฟซบุ๊กเนี่ยมันทำให้คนโกรธเกียดกันยังไงบ้างทำให้คนมีความคิดแบบสุดตรงยังไงบ้างเรื่องนี้อาจารย์เคยแคนหนาหอยังครับทันวาห้าสามาสามรคดีก็ไปดูไปดูได้ใน เว็บไซต์ทำไมเว็บไซต์วิสาหกิจเขียนเรื่องฉลาดทำใจในยามรับรู้ข่าวสาร <c oughs> ซึ่งก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะดิจิตอลเดียวแต่ว่า เ, เขียนในมติชนห้าศูนย์ ้าทํารรจารยาประลูกข่าวสารแต่ก็พูดเรื่องไม่ดีกันจากขออนุญาตนำไปเผยแพร่ต่อได้ได้เอาไปตัดต่อไปก็ไดไ้เปิดดูในวิสวรรวจี อ, อยากให้อาจารย์เป็นขอให้เป็นหลักทาคำสอนเป็นพรปีใหม่แล้วหลักคนอ่านนิดนึงครับเทคโนโลยีนะไม่ไว่าจะเป็นเทคโนโลยีชนิดใดเนี่ยก็เช่นเดียวกับเงินแล้วก็ชื่อเสียงสภารภาพเนี่ยมันเป็น บ่าวที่ดีแต่เป็นนายที่เลวเงินเนี่ยถ้ามันเป็นนายที่ถ้ามันเป็นนายเราเมื่อไหร่เนี่ยมันก็พาเราสู่ความตกตำ่ำแต่ถ้าเราถ้ามันเป็นเบาวรู้จักใช้มันเนี่ยมันก็จะเป็นมันก็ทำให้ชื่อเรามีความสุขความเจริญชื่อเสียงหรือว่าตําแหน่งหน้าที่ก็เหมือนกันเกียรติยศเนี่ยเป็นบบาวที่ดีเป็นนายที่เลว เทคโนโลยีไอทีก็เหมือนกันนะถ้าเราถ้าเรารู้จักใช้มันเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์สู่ประโยชน์ทั้งแก่ตัวเองแล้วก็แก่สังคมแต่ถ้าเราปล่อยให้มันใช้เราเมื่อไหร่เนี่ยหรือเราหรือมันกลายมาเป็นนายเราเนี่ยชีวเราก็จะแย่เนเราก็จะถูกข้องงากำกับด้วยสิ่งเหล่านี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยปีใหม่นีก็อยากจะให้เราเนี่ยทุกคนเนี่ยผู้อ่านเนี่ยได้ได้มีสติในการเสพในการใช้เทคโนโลยีแล้วก็มีปัญญาที่สามารถจะเห็นข้อจำกัดของมันและสามารถจะเอาข้อดีของมันมาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างความสุขความเจริญให้กับเราเพื่อ นพาช่วยให้มีความสุขและเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่น น, นี่คุณจะทำยังไงนี่จะไปตัดต่อเหรอครับก็คงไปเรียบเรียงครับอืม